วัดสูปนายิกขันทกกะ 107. วัดสูปนายิกานุชานาว่าได้ทรงอนุญาตการเข้าจำพรรษาข้อ1น4รสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังไม่ได้ทรงบัญญัติ การเข้าจำพรรษาแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพล่ธนาว่าฉะไหนพระสมณะเชื่อสายสกยบุตรจึงได้เที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนย่ํตาตินิชาติอันเขียวสดเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ซึ่มีเินสีเดียวเหยียบสัตว์เล็กๆจํานวนมากให้ถึงความวาดวายเล่าพวกอัญญะเดรธีเหล่านั้นผู้สอนทำไม่ดียังพักอยู่ประจําที่ตลอดฤดูฝนอีกทั้งฝูงนกเหล่านี้เล่าก็ยังทํารวงรังบนยอดไม้พักอยู่ประจําที่ในฤดูฝนส่วนพระสมณเชื้อสายศักยบุตรเหล่านี้เที่ยวจารึกไปทั้งฤดูหนาวฤ ด, ดูร้อนและฤดูฝนย่ําตินชาติอันเขียวสด เบียดเปี่ยนสิ่งมีชีวิตมีอินทรีย์เดียวเหยียบสัตว์เล็กๆจำนวนมากให้ถึงความวอดไวายไปภิกษุทั้งหลายได้ยินมนุษย์เหล่านั้นตนําหนิประนามโทลทนาจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเข้าจาพรรษาเรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุ เขาจำพรรษาในฤดูฝนครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราจะพึงเข้าพรรษาเมื่อไรหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าจำพรรษาในฤดูฝนเรื่องประเภทแห่งวันเข้าพรรษาครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่า วันเข้าบรรษามีเท่าไรเนอจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูล พ, พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายวันเข้าบรรษามีสองวันคือวันเข้าบรรษาต้นหนึ่งวันเข้าบรรษาหลังหนึ่งเมื่อพระจันทร์เพนเสวยเลิกอาสารหะสร่วงไปแล้ววันหนึ่งพึงเข้าจะบรรษาต้นเมื่อพระจันทร์เพนเสวยเลิกอาสารหะสร่วงไปแล้ว เดือนหนึ่งพึ่งเข้าพรรษาหลังพริกุดทั้งหลายวันเข้าพรรษามีสองวันเหล่านี้แล